ตอนที่149เโจชุนหงกลายเป็นขอทานไปแล้วเวนโม่จ้องมองหลี่หวันตาค้างแววตาใช้แววผิดหวังอยู่เล็กน้อยศา ส, สตราจารย์เจียงเห็นท่าทางของทั้งคู่แล้วก็ได้แต่ยิ้มบางบางโดยไม่พูดอะไรหลังจากเปิดเทอมศาสตราจารย์เจียงยังคงชอบพาเวนโม่และหลี่หวันไปร่วมตรวจโรคด้วยเสมอการปฏิบัติกับพวกเขาทั้งสองต่างจากนักศึกษาคนอื่นๆยางเห็นได้ชัดเพราะท่านตั้งใจจะบ่มเพาะพวกเขาเป็นพิเศษ แน่นอนว่ามีนักศึกษาคนอื่นแสดงความไม่พอใจาศาสตราจารย์เจียงจึงตอบกลับไปทันควันว่าเนื้อหาที่ฉันสอนเมื่อวานเธอจำได้หมดหรือยังท่องให้ฉันฟังซิแผนผังจุดฝังเข็มในร่างกายมนุษย์จำได้แม่แล้วใช่ไหมผลที่ได้รับคือความเงียบกริบความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนสองคนนี้ไม่เหมือนกับพวกเธอถ้าพวกเธอทำให้ฉันเบาใจได้เหมือนพวกเขาฉันคงดีใจจนเก็บไปฝันหวานแล้วาศาสตราจารย์เจียงยิ้มหยนันและพวกเธอมีสิทธิ์อะไรจะให้พวกเขามานั่งเรียนพื้นฐานไปพร้อมกับพวกเธอ นี่มันเป็นการเสียเวลาของพวกเขาชัดๆคำถามสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคที่ย้อนถามไปทําให้ไม่มีใครกล้าสเสนอความเห็นอื่นอีกวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าสําหรับหลีหวานแล้วนานๆครั้งเธอจะโทรศัพท์กลับบ้านและกลับไปเยี่ยมบ้านเดือนละหนึ่งถึงสครั้งจากนั้นก็ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่การแพทย์แผนจีนตอนนี้คนที่เธอใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดคือเหวินโม่และาศาสตราจารย์เจียงแน่นอนว่าบางครั้งเธอก็ยังไปพบท่านผู้เท่าเซียด้วย เมื่อเทียบระหว่างเหวนโมกับหลีหวานแล้วท่านผู้เทาเซียชอบหลีหวานมากกว่าเหวนโม่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เถ็นตรงเกินไปไม่สมกับวัยของเขาเลยบางครั้งเวลาเจอท่านเขาก็ทำตัวเหมือนหนูเจอแมวจนท่านผู้เทาเซี ย, ยยังสงสัยว่าตัวเองน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรือเสี่ยวหวานเมื่อคืนแม่ฉันเอาเนื้อวัวแห่มาให้ฉันลองชิมดูแล้วรสชาติดีทีเดียวพรุ่งนี้ฉันจะแบ่งมาให้เธอนะเหวนโม่พูดกับหลีหวานขณะเดินกลับจากบ้านของท่านผู้เทาเซียได้สิ ข, ขอบใจนะ หลิวันรู้จักกับเขามานานขนาดนี้ย่อมไม่มีความจําเป็นต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกถ้าเธอชอบกินคราวหน้าฉันจะให้แม่ทำมาให้อีกเวิร์นโมยิ้มฉันสังเกตว่าความจําของเธอดีมากจริงๆเรื่องที่ศาสตราจารย์เสียพูดเพียงครั้งเดียวเธอก็จําได้แต่ฉันทำไม่ได้ต้องท่องซ้ําแล้วซ้ําแล้วตั้งหลายรอบรู้สึกเหมือนสมองตัวเองไม่ค่อยดีเลยถ้าอยากจะพัฒนาความจําของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องทําคือความจดจออ่ออย่าฟุ้งซ่านเรื่องอื่น หลิหว่านสอนเคล็ดลับการจำให้เขาอย่างไม่หวงวิชาจิตใจคนเราจดจ่อสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้หรอกเรื่องที่ท่านพูเทาเสียสอนส่วนใหญ่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือถ้าเธอไม่มีความประทับใจเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นแสดงว่าเธออ่านหนังสือน้อยเกินไปควรจะเพิ่มปริมาณการอ่านให้มากขึ้นการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันไม่เหมือนกันการแพทย์แผนจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีตำราแพทย์ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น มีหน้าละ่ะเธอถึงชอบหมกตัวอยู่ในหอสมุดเวลาว่างเวนโม่พูดอย่างครุ่นคิดอืมหลหวานไม่ชอบปล่อยตัวให้ว่างเมื่อมีเวลาก็จะไปอ่านหนังสือที่หอสมุดและบางครั้งก็บังเอิญเจอเวนโม่บ้างฉันต้องตั้งใจเรียนรู้จากเธอให้มากจะยอมล้าหลังไม่ได้เวนโม่ให้กำลังใจตัวเองในใจทุกอย่างทาให้เต็มที่ก็พอเธอไม่จาเป็นต้องแข่งกับฉันหรอก หลี่วันเรียนแพทย์มานานกว่าเหวนโม่แน่นอนหากเขาจะแข่งกับเธอเธอเกรงว่าเหวนโม่จะรู้สึกได้ค่าเสียเปล่าเปล่าฉันไม่ได้จะแข่งอะไรกับเธอหรอกฉันแค่ยึดเธอเป็นเป้าหมายและเรียนรู้จากเธอให้ดีจะได้ไม่ต้องให้คุณปู่บ่นว่าฉันไม่ได้เรื่องอยู่เรื่อยไม่หรอกฉันว่าเธอเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนส่วนใหญ่ในห้องแล้วที่คุณปู่พูดแบบนั้นคงเระหวังให้เธอเก่งขึ้นไปอีกไม่ได้หมายความว่าท่านปฏิเสธความสามารถในตอนนี้ของเธอเสียหน่อย ถ้าเธอเป็นหลานสาวของคุณปู่ท่านต้องดีใจมากแน่ๆหลายคนก็พูดแบบนี้ลหวนันพูดติดตลกใครบ้างจะไม่เอ็นดูเธอโดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่เหวินโมยิ้มและกำลังจะอ้าปากพูดต่อทันใดนั้นเขาก็เหลือไปเห็นฝูงชนกลุ่มใหญ่รุมล้อมอะไรบา ง, างอย่างอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนหลหวานไม่ใช่คนชอบดูเรื่องสนุกเธอตั้งใจจะเดินกลับหอพักเพื่อพักผ่อนโดยตรงเหวโมด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงเบียดเข้าไปดูสองสามก เมื่อเห็นชัดเจนว่าคนที่นักศึกษารุมล้อมอยู่นั้นคือขอทานคนหนึ่งเขาก็สงสัยว่าคนคนนี้มาขอทานถึงในโรงเรียนได้อย่างไรหลีวหวานท่านใดนั้นขอทานที่เพิ่งนั่งอยู่บนพื้นก็ลุกโกรขึ้นมาเหมือนเห็นใครบางคนแล้วพุ่งตรงเข้าไปหาฝูงชนทันทีนักศึกษาที่อยู่รอบๆต่างพากันรังเกียจกลิ่นตัวของขอทานคนนั้นยิ่งตามตัวเขาสกปรกมอมแมมจนน่ากลัวทุกคนจึงรีบวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง หลีหวานได้ยินคนเรียกชื่อเธอจึงหันไปมองตามเสียงโดยสัญชาตญาณปฏิกิริยาแรกของเธอคือการเบี่ยงตัวหลบหลีหวานจำฉันไม่ได้แล้วเหรอก็จริงนะฉันกลายเป็นสภาพแบบนี้เธอจำฉันไม่ได้ก็ไม่แปลกเสียงนี้หลีหวานยังพอจำได้ว่าเป็นใครโจชุนหงนั่นเองแต่เธอไม่รู้ว่าทาไมหลังจากไม่ได้เจอกันนานอีกฝ่ายถึงได้กลายสภาพเป็นผีสางแบบนี้ โจชุนหงถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านแต่อย่างไรเธอก็เป็นลูกในไส้ของนิวซูเฟิร์นอย่างน้อยแม่ของเธอก็ต้องปฏิบัติกับเธ อ, เธ อ, เธอดีกว่าหลีสองแม่ลูกแน่นอนเธอเคยได้ยินมาว่าโจชุนหงหนีออกจากบ้านไปแต่เรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั้นเธอไม่ทราบหลีหวันมองโจชุนหงด้วยสายตาหวาดระแวงเธอมีธุระอะไรมีสิชั้นมาหาเธอก็ต้องมีธุระแน่นอนกว่าจะหาเจอเล่นเอาฉันเหนื่อยแทบตายนังเด็กชั้นต่ำฉันเป็นไอหญิงแท้ๆของเธอนะ เจอหน้ากันกลับไม่รู้จักเรียกอสักคำเสียแรงที่เป็นถึงนักศึกษาปัญญาชนถุยเสียงแหลมเล็กที่เต็มไปได้วยความร้ายกาจของโจชุนหงดังขึ้นทําให้นักศึกษาที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่รอบๆต่างพากันชี้หน้าวิพากวิจารณ์หลีหวานเกิดอะไรขึ้นไอหญิงแท้ๆของสหายหลีหวานเป็นขอทานงั้นเหรอพ่อของหลีหวานไม่ใช่รองผู้พันเขตทหารหรอกเหรอรองผู้พันจะมีน้องสาวสภาพแบบนี้ได้ยังไงรองผู้พันอะไรกัน รองผู้พันนั่นเป็นพ่อเลี้ยงหลีหวันตามแม่ของเธอแต่งงานเข้าไปต่างหากอ้าวฉันก็นึกว่าเธอเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์จริงๆที่ไหนได้ก็แค่ของปลอมที่สร้างภาพขึ้นมาเองนี่นานักศึกษาที่อยู่รอบๆต่างพูดกันไปต่างๆนานาหลีหวันฟังออกว่าส่วนใหญ่เป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเหวินโม่กำมัดแน่นพวกนายหยุดพูดจะเหลวไหลได้แล้วที่นี่คือโรงเรียนพวกนายก็เป็นคนมีความรู้ที่ได้รับการศึกษามา อย่าทำตัวเหมือนพวกหญิงแกไราการศึกษาตามท้องถนนที่เอาแต่ซุปซิปมินทารี่ไปให้พล้เลยเหวนโม่พวกเราก็รู้ว่านายอยากจะประจบคุณหนูของรองผู้พันเขตทหารแต่ช่วยหูตาสว่างหน่อยเถอะถ้าเธอไม่มีแม่ที่เก่งกาจขนาดนั้นเธอจะได้เป็นคุณหนูของรองผู้พันเหรอตลกสิ้นดีฉันว่าตำแหน่งคุณหนูอะไรนั่นเธอคงอุปโลกขึ้นมาเองมากกว่าปกติแล้วหลีหวานไม่ค่อยมีเพื่อนในโรงเรียนศัก์เท่าไหร่โดยเฉพาะหลังจากเรื่องราวในช่วงแรกๆเกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าหลีหวานไม่มีเพื่อเลย นักศึกษาคนอื่นๆต่างก็เกรงกลัวในฐานะของหลี่หวานแต่หลี่หวานก็ไม่ได้เก็บคำพูดของพวกเขามาใส่ใจเธอมาที่โรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือและเอาใบปริญญาใครจะพูดอะไรก็ไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ตามไม่มีใครกล้าทำอะไรลับหลังเธอจริงๆพวกเขาทำได้เพียงแค่ขยับปากพูดไปวันๆเท่านั้น